เรื่องเทวดาป้องกันอากาศหนาวให้ท่านเล่าว่าปีนั้นท่านพักอยู่บนดอยมูเซอร์พร้อมด้วยพระมหาทองสุกอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปีหากมีเครื่องวัดก็คงจะติดลบหลายองศาขนาดชาวบ้านไม่ยอมหนีจากกองไฟตลอดวันตลอดคืนทั้งสองท่านก็รู้สึกหนาวมากติดไฟก็ไม่ค่อยจะติด น้ำค้างแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเอาละ่ะแต่สินใจจะหนาวตายวันนี้ก็ยอมกลับขึ้นไปกุฏิท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จเข้าสมาธิทันทีพอจิตสงบท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวารสี่คนผู้เป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกษัตริย์ทรงผ้าสีแดงมาชี้บอกให้บริวารกางพรมาณให้ท่านทั้งสี่ทิศทั้งข้างบนข้างล่าง จึงกำหนดพิจารณาว่าเป็นใครนั่นแต่ไม่ได้ถามพระยาองค์นั้นเพราะเห็นกำลังสารวนอยู่กับการกลางพมา่านรู้ในใจขึ้นมาว่าเป็นเท้าเวสุวรร์มาป้องกันอากาศหนาวให้โดยใช้พระม่านสีแดงกลางกั้นไว้มีความอบอุ่นพอดีพอดีเทวดาเหล่านั้นก็ไปกลางถวายพระมหาทองสุขด้วยพอ ก, กางเสร็จก็ไป ไม่บอกไม่ลาไม่ไหว้ทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปไม่เหมือนเทพองค์อื่นเวลามาหามีการกล่าวคานกันแต่เทพนี้มาแปลกท่านว่าอาการของม่านเวลาจะไปบินทบาทหรือยืนเดินนั่งนอนปรากฏว่าจัดการกั้นไว้ไม่กว้างไม่แคบพอดีพอดีตื่นเช้าถามพระมหาทองสุกว่าหนาวไหมตอบว่าไม่หนาว แต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ได้ถามแต่ตัวท่านพระอาจารย์เห็นม่านกั้นพระมหาทองสุกอยู่พอไปบินทบาทชาวเขาร้องกันว่าตุเจ้าบนหนาวกาตุเจ้าบนหนาวกาตลอดทางท่านว่าม่านนั้นค่อยๆจางไปพร้อมกับอากาศค่อยอุ่นขึ้นจนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นเท้าเวสุวรรณอีก